เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปทางอื่นมันสงบลงไม่ได้จุดุงหมาย ของการภาวนาก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งในขั้นต้นนี่ดังนั้นให้รู้จักความประสงค์ของตนเมื่อรู้ความประสงค์ของตนแล้วก็สะกดจิตไว้อย่าให้มันคิดไปเลื่อน้อยอพร้อมกับ อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งพิร ล, ลึกแล้วต่อจากการก็ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อันนี้มันเป็นการสำรวมจิต มันเป็นวิธียับยัง่งจิตไม่ให้คิดสงสายไปต่งตางๆผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านถ้าหากว่าไม่มากําหนดเพ่ ง, พงลมหายใจเข้าออกนี้แล้วก็กจิตจะสงบไม่ได้เลยบริกรรมพุทโธเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งไปใหญ่สำหรับผู้ที่ นั่งภาวนาเข้าไปเลยมันชอบง่วงอันนั้นเหมาะกับการบริกรรมพุทโธนึกพุทโธบ่อยๆเข้ามันก็จะตื่นตัวพ mm hmm. อง่วงก็จะไม่ครอบงามจิตอันนั้นให้รู้จักจริตนิสัยของตนผู้ภาวนา พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระกรรมฐานไว้หลายอย่างนั่นน่ะก็เพื่อให้มันถูกกับจริตของบุคคลเพราะคนเรามีจริตไม่เหมือนกันผู้รักสวยรักงามก็ต้องเพ่งอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์นะกรว่าผู้มีจริต น้องไปทางแห่งความรักความใคร่มากอย่างนี้นะก็ต้องมันเพ่งดูอัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นตามเป็นจริงความจริงของร่างกายนี้ไม่มีส่วนใดที่จะสดสวยงดงามมีแต่สิ่งโสกปกโสโครกอยู่ในกายนี่นะ เพราะอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายนี่มันก็เป็นของสกรปรกอยู่แล้วส่นนิฐานดูแต่อาหารก็รู้ได้เมื่ออาหารมันสกรปรกอย่างนั้นแล้วจะให้ร่างกายมันสะอาดได้อย่างไร อ, อ่ะเพราะร่างกายมันอยู่ได้ด้วยอาหารอยู่ได้ในของสกรปรกอย่างนั้นนะเนี่ยมันเพ่งมันพิจารณาดู ให้จนอสุภานิมิตปรากฏขึ้นในใจหมายความว่าให้ความเป็นไปของร่างกายนี้มันปรากฏขึ้นในใจเช่นอย่างว่าคนเราเมื่อจิตปินญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วถ้าเอาทอดทิ้งไว้บนเพื้นดินภายในสามวันเจ็ดวันก็จะเน่าเฟะ น, น้ำเนืองไหล ไม่มีตรงไหนที่สะอาดไม่มีเลยไอ้ที่มันยังไม่เน่าไม่เฟ่ยอยู่นี่ก็เพราะอาศัยจิตยังคลองอยู่บุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนน้นยังมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้โยร่างกายนี้มันก็จึงไม่แตกไม่ดับไม่สำรุดสุดโทม จนว่าจิตอาศัยอยู่ไม่ได้บุญกรรมมันยังหล่อเลี้ยงไว้ให้เป็นปกติทำให้ดวงจิตนี้อาศัยอยู่ได้ ม, มันถึงไม่เน่าไม่เฟะพิจารณาดูให้มันเห็นแล้วก็มีหนังหุ้มอยู่มันจึงไม่ปรากฏอาการโสมมต่างๆออกมา ถ้าหากวารลอกหนังนี่ออกไปแล้วไม่มีอะไรดีสักหน่อยเดียวนำเลือดนำเลืองนำน้องอะไรไหลหลังทั้งเทออกมาหมดแหละพระพุทธเจ้าทรงสแสดงก็กรร ม, มาฐานไว้ก็เพื่อให้มันถูกกับจริตของบุคคลราคะจริตนี่ผูิมากโดยความกำหนัดยินดี ต้องมันเจริญอสุภะกรรมฐานนี่บ่อยๆ อ, อย่าไปเจริญกรรมฐานอื่นให้มากผู้มากคุณไดโทรสาพยาบาทก็ต้องมันเจริญเมตตาให้ามากๆเราให้นึกเสียว่าการโกรธนั้นก็โกรธคนนี่แหละส่วนมากไม่ได้ไปโกรธอะไรหรอกโกรธคนกับตัดนิเรชาน ชาติเดชานบางตัวมันแสดงกิริยาไม่พอใจโกรธมันตีมันเตะมันอะไรทำนองนี้นะอันเนี้ยคนก็เหมือนกันแสดงกิริยากาันให้ไม่พออกพอใจกัโกรธ ด, ด่าว่าบางทีก็ลงมือทบตีกันยับยั้งใจไว้ไม่ได้อันนี้ท่านเดียวว่า คนมีความโกรธเป็นนิสัยติดตามมาตั้งแต่ชาติหนหลังนู่นมันละไม่ได้ด้านเมื่อเรามานึกถึงว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มันก็ร่วนแต่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเละไม่มีใครจะอยู่ยั่งยืนในโลกนี้ไปได้เลย ถึงว่าไม่เบียดเบียนไม่ทุกไม่ตีไม่ข่ามันก็ตายเองมันร่นางกายนี้เมื่อมันหมดบุญหมดกรรมเก่าลงไปเมื่อใดแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปเบียดเบียนกันเลยถึงแม้ว่าเขาจะแสดงเรื่องไม่ดีไม่งามต่อเราก็ให้อภัยไปยกโทษให้เขาไป อย่าไปถือสาหาความกันมันจะเป็นเรื่องวิวาทบาดหมางโผเกวนกันไปไม่รู้จักจบ <c oughs> พิจเจรณาให้มันเห็นอย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็นึกเพ่งอยู่ในใจนั่นให้เกิดความรู้สึกอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละรู้สึกว่าทั้งคนดีทั้งคนชั่ว ร่วนแต่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแหละเป็นหน้าที่เราจะต้องให้เอาภัยต่อคนชั่วเขาก็ไม่อยากชั่วแล้วแต่ว่าเขาสร้างกรรมอย่างนั้นมาในอดีตสนหลังนุน่นเหตุนั้นมันถึงติดตามมาตกแต่งให้ใจิตใจเป็นคนดุร้ายอำมาเหตอะไรวกนี้นะ มันมาพิจารณาให้มันกว้างๆ อ, ออกไปสักหน่อยอย่าไปไปคิดเห็นได้ว่าเขาด่าเราเขาว่าให้เราเขาเยียดย้มดูหมิ่นเราเท่านั้นอันนี้มันมันหลงสมมุติโลกเขาสมมตุติป่ะนายกนายขอก็สำคัญว่าเป็นนายกนายขอจริงๆถ้าว่าโดยปรมัตถธรรมแล้ว ไม่ใช่นะเป็นแต่สมมุติเอาไเฉยมันมีแต่สังขารสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นมาเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นต้นไม้ภูเขาหินกลวดทรายน้ำดินน้ำไฟลมอะไรโมนี้นะธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาธรรมชาติสร้างคนขึ้นมาก็ ส้างจากธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองแต่ว่ามันต้องมีจิตวิญญาณเข้ามาอาศัยอยู่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทำไว้แต่ก่อนนอนันนำมาปฏิสนธิในท้องของมารดามันจึงได้อาศัยธาตุของมารดาบิดาเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานั่น เมื่อเราเพ่งโดยปรมา ธ, ธรรมมันจึงเห็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเมื่อหมดบุญหมดกรรมลงไปแล้วรูปร่างกายอันนี้มันก็เป็นปกติอยู่ไม่ได้ก็เปื่อยเน่าผุพังสลายออกไปส่วนใดเป็นธาตุดินมันก็เป็นธาตุดินไปส่วนใดเป็นธาตุน้ําก็เป็นธาตุน้ําไป ส่วนใดเป็นธาตุลมเป็นธาตุไฟก็เป็นธาตุลมธาตุไฟไปตามเรื่องเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารเลยพอที่เราจะมาโกรธพอที่เราจะมารักมาคล้กันอันนี้พูดในทางปรมัตถธรรมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าพูดโดยสมมุติของโลก มันก็มีคนนั้นสวยงามดีคนนี้ขี้ร้ายคนนั้นเป็นคนดีมีจัร ญ, ญามารยาทดีคนนี้เป็นคนเลวมีความประพฤติหยาบช้าลามกมันก็ต้องไปตามกรรมของบุคคลที่สร้างมานั่นแหละแล้วก็สมมุติกันว่าเป็นคนดีคนชั่ว สมมุติอันนี้มันก็มีความจริงอยู่ทันเดีย ว, วสมมติจัตจะมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งในโลกนี้นะถ้าไม่สมมุติอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสังคมกันได้อย่างไร อ, ะอนน่ะสังคมกันไม่ได้เลยเกิดมาอยู่ร่วมกันนี่ไม่รู้เรื่องราวอะไรกันเลยแต่สมมุติเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงนี่ต้องคิดให้มันเห็น ไม่ใช่ว่ามันเที่ยงยั่งยืนถ้ามันเที่ยงยั่งยืนแล้วมันก็ไม่ตายสักทีแหละคนเราเกิดมาแล้วนะอันนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้รู้เท่าอย่าไปหลงตามสมมติเมื่อคนได้รู้เท่าแล้วมันก็สบายใจดีเขากรธมาก็ไม่โกรธตอบ ก็เพราะว่าไอ้วาจาที่เปล่งออกมานั่นก็เป็นแดยเพียงธาตุชนิดหนึ่งท่านเลวสัตรพ์ธาตุธาตุาคือเสียงเนี่ยมันไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรอะ่ะจะไปโกรธตอบทำไมอะ่ะไอ้วาจาที่กล่าวออกมาจากปากนันปากของคนก็ไม่ใช่ปากทิ้ง นนะตัวคนไม่ใช่ตัวคนจริงเป็นแต่สมมุติว่าเอาเฉยๆเป็นแต่ธาตุตีดินน้ำไฟลมเท่านั้นนักปฏิบัติธรรมนักภาวนามันต้องเพ่งพิจารณาให้มันเข้าถึงปรมัตรธรรมให้ไดู้้ไม่ปฏิบัติธรรมนั้นกะเขาก็ไปตามเรื่องของเขาอันนั้นมันก็ห้ามกันไม่ได้เพราะว่า ทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาอใครจะนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้ใครจะปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีไ ม, ม่ใครว่าอะไรให้ก็ไม่มีข้อบังคับกันเลยมันเกิดจากความเลื่อมใสความพอใจ เกิดจากความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาอันประเสริฐ จ, จริงๆพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นนิยานิกระทำนำผู้กระพืดตามให้พ้นจากภกภัยไปได้จริงๆผู้ใดมีความรู้สึกอย่างนี้แหละต่อพระพุทธศาสนา ก็จึงได้มีศรัทธาเรื่อมใสอย่างแรงกล้าผู้ใดเป็นโมหะจริตเป็นคนหลงคนเมามีจิตฟุ้งซ่านรำคาญมากมากมีจิตสงสัยลังเลคนโมหะจริตคอบงำนี่มกกักจะเป็นคนง่วงเหงาหาวนอนเ่อมทึมไม่อยากคิดอย่างนึกอะไร คิดได้กอไม่รู้ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลอะไรเพราะว่าความหลงมันครอบงำจิตใจอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญอนาปานสตินี่นะตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกทําใจที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยมันสงบลงละนิวรทั้งห้า ละความรักความชังความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านลำคาญความสงสัยลังเลใจต่างๆวันนี้มันได้แล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นบันนี้นะก็ขจัดความหลงอันนั้นออกไปอันความหลงนี่ถาว่าโดยตรงแล้วก็เรียกว่ามันหลงสาคัญว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนมีเรามีเขาอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้นะ <ừ. S 2> เมื่อมันสำคัญว่าขันห้าอันนี้เป็นตัวเป็นตนของตนแล้วมันก็สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นในใจนี้อันนี้แหละเรียกว่าความไม่รู้นะ ừ. เมื่อความหลงครอบงมแล้วมันจึงเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ได้สร้าง กิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจเมื่อภาวนาเห็นรูปเห็นนามั น, นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในใจตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เรวก็อาศัยบุญกรรมที่ได้ทำมาตะก่อนนนมันตามมา นำดวงกิจให้เขามาด้สนทิในรูปอันนี้เท่านี้เองนะี่ยมันจะมีอะไรความเป็นจริงของชีวิตนี่นะหรือว่าของร่างกายสังขารอันนี้นะมันก็มีเท่านี้เลยไม่ใช่ว่ามันจะมีตัวมีตนเป็นแก่นเป็นสารไม่รู้จักแก่เจ็บตายเลยอนะ่ะไม่มี ชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายนี่แม้จะเป็นพวกที่เกิดมาแล้วแต่ในอดีตคนหลังนานแสนนานนันก็มีสภาวะเหมือนกันนี่นะเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไปเหมือนกันนี่นะต่างแต่ว่าบางยุคบางสมัยมีอายุยืนยาวนานก่อนนานตายบางยุคบางสมัยมีอายุสั้น เช่นอย่างสมัยทุกวันนี้นะอายุไม่เกินร้อยปีก็ตายกันส่วนมากไม่ถึงหรอกถึงกันน้อยเต็มทีท่านกล่าวไว้ว่าอายุไขัของคนปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่เจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นเองแต่ครัง้งพทธเจ้านะมีอยู่ร้อยปีอายุไขนยนะ คนสมัยนั้นส่วนมากอายุถ้าอายุร้อยปีจึงค่อยตาย <c oughs> แต่ว่าตายต่ำกว่าร้อยปีก็มีอยู่หรอกมีอยู่แต่ส่วนหลายมันร้อยปีขึ้นไปแต่ที่นี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันปณิพานมาอายุของคนก็เริ่มลดลงมา ร้อยปีก็ลดลงปีหนึ่งร้อยปีก็ลดลงปีหนึ่งอย่างนี้แหละโดยลำดับมาจนมาองนิพพานล่วงแล้วมาได้สองพันห้าร้อยสามสิบสองปีนี่เมื่อก็คิดถัวแล้วก็อายุของคนลดลงเหลือลดลงมายี่สิบห้าปีมันก็เหลืออยู่เจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นเอง อายุขัยนี่แหละเดี๋ยวพิจารณาดูให้ดีไม่มีอะไรเป็นแกนสารเลยในร่างกายอันนี้มันอยู่ด้วยเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมาอุปปรรมบารุงไว้เฉยๆนะพอหมดบุญหมดกรรมแล้วก็แตกดับทำลายไปเท่านั้นเองรูปกายอันนี้ ไม่ได้ตั้งยัางยืนอยู่ได้เลยมเมื่อเห็นแจ้งพระจากอันนี้มันก็กำจัดความหลงได้ก็เป็นพู้ไม่หลงเป็นธรรมดาเลยวันนี้นะมองดูร่างกายครั้งใดก็จะเห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาทุกครั้งเลยจะไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรอะ่ะอันนี้นะปา เป็นสัจธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมของจริงที่ทุกคนควรรู้ถ้าไม่รู้ธรรมของจริงเหล่านี้แล้วก็พ้นจากความไม่จริงนี้ไปไม่ได้เลยก็จะต้องหมายหมายเอาดวงขีดนี่นะจะต้องเวอาศัยตั้งแต่สภาวะธรรมอันไม่จริงอย่างที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ แม้จะไปเกิดในชาติในภพต่อๆไปก็มีสภาวะเหมือนกันเนี่ยรูปร่างกายอันนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อจิตมาอาศัยอยู่แล้วก็เลยจัดเป็นขันห้าขึ้นมาถ้าหากว่าจิตไม่ได้มาอาศัยนี่ก็มีแต่ขันสี่คือดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองพอจิตเข้ามาอาศัยเข้าก็เลยกลายเป็นขันห้าเข้าไป ให้ให้พากันเจริญปัญญาวิปัสนาพิจารณาให้มันเห็นสภาพความเป็นจริงของขันธ์ทางห้าหรือว่าชีวิตอันนี้นะให้รู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้เมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างว่านี้มันก็จะคลายกิเลสตัณหาอันหมักหมมอยู่ในใจนี้มา นานนับชาตไม่ถ้วนแล้วที่ร่วงแล้วมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาชาตใดก่ออาศัยกิเลสนั่นเป็นพาหา น, นำมาเกิดกิเลสตัณหานั่นเมื่อไปทำกรรมดีกรรมชั่วเข้าไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นชนะ ก, ะกรรมเป็นกรรมที่นำให้เกิดอีกใ้เรื่องมั น, นเป็นอย่างนั้น พระอ ร, ะหรหันต์ทั้งหลายกรรมชั่วท่านก็ละหมดสิ้นไปแล้วกรรมดีท่านก็ทำให้เต็มบริบูรณ์แล้วเหตุดังนั้นท่านถึงไม่มักเกิดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านี้จิตของพระอระหันต์นะท่านก็เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นธรรมชาติดับเพลิงกิเลสละกองทุกได้โดย ก, การทั้งปวง จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของมนุษย์เราอยู่ที่พระนิพพานมันมันตะจำเป็นมันหักหมูนไปแม้ว่าผู้ใดจะหลงอยู่เท่าไรแต่เมื่อท่องเที่ยวไปมาได้พบกับนักปาราบบัณฑิตเข้าท่านแนะนำสั่งสอนเอาก็รู้ตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยมา มันเป็นอยู่อย่างนี้ไอ้ชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยที่ว่าชีวิตของคนเรามันหมุนไปสู่พนิพานนั้นเพราะอะไรเ่ะก็เพราะความทุกข์นี่แหละมันบีบบังคับเอาเมื่อมาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นของไม่เที่ยงนี่แล้วขันธ์ห้านี่มันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เสมอเสมอ ให้รู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น ừ, ก็เพราะมันไม่เที่ยงนะจะให้มันอยู่นิ่งๆได้อย่างไรอะรูปเวทนาสัญญาสังสารดิญญาณอันนี้มันอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามันไม่เที่ยงวันนี้จิตของบุคคลผู้ได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาฝึกให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ภายในบันนี้มันก็รู้เลย มันก็รู้ว่าร่างกายอันนี้ไม่น่าอยู่อาศัยเลยไม่น่ายินดีพอใจเพราะมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ความแ ป, ปลปรวนไม่คงที่มันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้เละจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อมันเบื่อหน่ายด้วยอํานาจแห่งปัญญามันก็ค่อยคลายความยึดความถือ ว่าเป็นเราเป็นเขาออกไปเรื่อยๆดังนั้นนะจึงว่าคนเราเนี่มันก้ัมหมูนไปหาพระนิพพานนั่นเองเนี่ยเพราะทุก์นี่แหละมันขับไล่ออกเมื่อทุกมันมาเตือนแล้วมันก็เป็นเหตุให้คิด ทำอย่างไรหนาเราจรึงจะพ้นจากทุกนี้ไปได้เหมือนอย่างสัตว์นรกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ตอนที่พระองค์ไปจำมัสสาสวรรค์ชั้นดาวดิงสแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาอินรมทั้งหลายในครั้งนั้นอยู่สามเดือน แล้วพระ อ, องค์ก็เสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกที่แรกก็มาประทับยืนอยู่ที่เชิงเขาสังกตะนครนั่นแหละแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงแสดงโลกกวีวร์คือแสดงพระปฏิหารเปิดนรกให้เทวดาได้เห็น หรือให้หมูมนุษย์ได้เห็นสัตว์นรกให้เปิดสวรรค์ให้สัตว์นรกได้เห็นเทวดาหรือให้มนุษย์ได้เห็นพวกเทวดาอสัตว์นรกเมื่อได้เห็นเทวดามีความสุขความสบายอย่างนั้นแล้วก็มาปรับทุกข์ต่อกันเลยกันเออไอพวกเรานี่มันจะเป็นมนุษย์มัวเมาธะทำบาศ โมเ ม, ม, มาเสก่าตัดรักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมกล่าวมุสาวาา ด, ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโร อ, อีนอย่างใดอย่างหนึ่งกรดีหรือหลายอย่างมันเป็นของเสพติดไทโทษเราไม่เชื่อคำสอนของพระเจ้าล่วงเกินพุทธบัญญัติบาปกรรมเหล่านั้นจึงได้นำมาสู่นรกอบายภูมินี หลังจากหมดอายุสังขารลงเอาละทีนี้พวกเราตอนนี้ไปเมื่อพ้นจากนรกนี่ไปแล้วเราจะมาการรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์จะไม่ทำบาปมีค่าศาสตร์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นเมื่อสัตว์นรกได้ปฏิ ญ, ญาณตนไว้อย่างนี้แล้วนันก็ ตั้งใจไว้ออพอพ้อนจากนรกมาได้เกิดเป็นคนเข้าก็รู้สึกสำนึกตัวได้เพราะว่าความนึกคิดอธิษฐานจิตแต่ตอนเป็นสัตว์นรกนั้นะมันติดตามมาเมื่อมาได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็ทำให้ระลึกได้เลยอระลึกถึง บากความทุกข์ในนรกอบายภูมิถึงแม้จะมองไม่เห็นด้วยญาณปัญญาแต่มันก็พอนึกได้เพราะมันเคยไปตกนรกมาแล้วเนี่ยนึกขยาดึกกลัวต่อภัยในนรกนั้นขึ้นมาในใจแล้วก็เป็นเหตุให้รักษาสินห้าตามเจตนอารมณ์ของสันนกที่ได้ตั้งปณิธานไว้แต่ ตอนพระองค์เจ้าเปิดโลกครั้งนั้นนี่แหละสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถึงแม้จะดุรายย้ายยังไงทำชั่วอย่างไรอยู่ก็ตามแต่ไปๆแล้วมันก็จะหมุนมาหาทางดีด้วยอำนาจแทง ความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัตว์รกนั้นได้รู้ตัวและได้อธิษฐานใจละเว้นจากบาปโทษต่างๆแต่มันอาศัยเวลานา น, านสำหรับผู้ประมาทนี่นะเช่นอย่างผู้มาเกิดเป็นคนมาแล้วมาครองเรือนอยู่ในปัจจุบันนี่ ก็ตนไ ม, มีปัญญาที่จะหลีกเว้นจากบาปไปเที่ยวฆ่าสัตว์สัตชีวิตมาเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนเข้าไปไปเที่ยวลักเล็กขโมยนอ้อยขโมยน้อยผู้อื่นนี่บางคนนะนั่นแหละหรือว่าไปเที่ยวจี้ปล้นเอาสมบัติผูอื่นมาเป็นของตอนเห็นลูกใครเมียใครสวยงามก็ไป ยีบ เ, เ, เ, เอาจ่ายเงินจ่ายทองให้ไปนั่นเรียวกว่าพฤษผิดศีลข้อที่สามการเมสุมิชาจารข่าที่เป็นผู้มีความโลภมากในใจอยากได้ทรัพย์สมบัติอะไรม า, มากเมื่อหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็หาเอาโดยทางสุจริตช่อกงหลอกลวง เขาเรียวกว่าป้งแต่งวาจานหลอกลวงคนอื่นให้เขาหลงเชื่อไปให้เขาเสียทรัพย์เสียสินไปหมู่นี้นะมันก็ร่วนแต่เป็นบาปั้งนั้นเลสุดท้ายก็เดิมสุราเมรัยกัญชายาฝินเฮโรอีนทั้งหมดนี้ของเสพติดโทษทั้งนั้นเลยผู้ใดชอบใจ ผู้ใดติดใจกับรถเมาของเสดติดใจโทษต่างๆหมดนี่เมื่อใจมันชอบแล้วมันติดแล้วมันออกไม่ได้เลยเพรใจชอบมันนี่ น, นั่นแหละถ้าใจเนะีม่มาเห็นโทษของมันแล้วเบื่อหน่ายมันแล้วมันก็ออกได้ของหมดนี่ไม่เหลียววิสัย น, นแม่สินนับแต่ข้อที่หนึ่งมาก็เหมือนกัน ถ้าผูใ้ใดเห็นว่าการล่วงศิลเหล่านี้นี่เป็นบาปเป็นโทษจริงๆอบาปกรรมเหล่านี้จะนำตนให้เป็นทุกข์ไปสู่อาใบาภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นก็เพราะองค์เห็นด้วยพายานอันยิ่งแล้วก็จึงนำมาสแสดงให้พุทธบริษัต์ทั้งหลายฟังแต่พุทธบริษัททั้งหลายไม่เชื่อ พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเหตุฉะนั้นนะก็จึงได้ล่วงเกินในทำบาปเหล่า น, นี้ไปเมืนนี้เมื่อมันได้สวยทุกข์ทนทรมานจากบาปกรรมนี้มากก็ยังว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไ้โปรดเอาก็จึงได้อธิษฐานใจเมื่อได้เกิดเป็นคนแล้วก็จะขอละเว้นจะไม่ทํามันต่อไปอีกอันนี้มันทําให้ ชีวิตของมนุษย์เรามูนไปสู่ผลนิพพานในวันนี้พอบุคคลเมื่อมีศีลแล้วชีวิตนี่มันก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายไปก็ใกล้ผลนิพพานเข้าไปเรื่อยๆเหมือนอย่างในทายศีล น, นั่นนะสีเลยอนิปุสิยนนงยนันติผู้มีศีลจากบรรลุถึงซึ่งผลนิพพานทำไมายความว่าเมื่อมีศีลแล้ว มันก็ไม่มีบาปมารบกวนถึงแม้จะได้เกิดอีกก็เกิดดีเกิดไปชาติใดก็มีรูปร่างสวยงามมีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์มีอายุยืนยาวนานโรคภัยอันร้ายแรงไม่ค่อยเบียดเบียนร่างกายมีสมองปลอดโปรง่งมีปัญญาดีอธรรมดาคนผู้ไม่มีบาปติดตัวมันก็ย่อมมีสติปัญญาดีนะ เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถละความชั่วเหล่านั้นได้สามารถทําความดีต่การได้เต็มความสามารถอืดังนั้นบุญกุศลของบุรณะมันจึงได้มากขึ้นโดยลําดับนั่นเองเมื่อล่าเว้นจากบาปกรรมได้แล้วอชีวิตของมนุษย์เราในนี้จะหมุนไปใกล้ถอ่อมวิพญาณไปเรื่อยๆ เ, เนี่ย เมื่อกล่าวโดยสลุใจความแล้วนะไอ้อบุคคลที่จะห่างไกลต่อพานิานนะพันก็เพราะไม่สำรวมไม่ตั้งมั่นอยู่ในสินที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นี้เองนะเมื่อไปล่วงสินและทำบาปตายแล้วไปตกนรกอยู่นานแสนนานน้ำร้อนรว่วไฟเผา ไอจิตใจของสนรนนรกเนี่ยเป็นใจขุนมัวเศร้ามองพราได้รับแต่ทุกข์ทนทรมานอย่างนั้นเนี่ยเลยนั้นขุณความดีอะไรก็เลยสูญหายไปจากจิตใจในขณะนั้นมันเป็นงั้นถึงแม้ว่าเป็นมนุษย์อยู่นี่จะได้ชําบุญกุศลไปไวยบ้างบุญกุศลก็ช่วยไม่ได้ในเวลานั้นเวลาบาปมันให้ผลอยู่นั้น มีแต่ทุกข์ทนทรมานนะมัน็นอย่างนั้นเมื่อบาปอกุศลอันนั้นมันอ่อนกำลังลงไปมันหมดอายุมันลงบุญที่บุคคลกระทำไว้แต่ก่อนนั้นมันถึงมีโอกาสให้ผลสืบต่อวันนี้นะนำไปเกิดเป็นคนขึ้นมาอีกเป็นคนขึ้นมา ถ้าไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอลไรอย่างนี้ก็เกลับไปทําบาปของเก่านั่นแหละอีกเพราะมันเคยทํามาออยู่อย่างนี้นะแล้วชไหน้วมันจะใกล้โถพระนิพพานได้ลองพิจารณาดูให้มันเห็นมันก็ใกล้พระนิพพานไม่ได้เลยทีนี้นอกจากว่ารู้มีศีลห้าแล้วก็ต้องมีศีโลอุโบสถด้วย ถ้าจะไปรักษาด้วยสินห้ายอย่างเดียวก็ยังไกลต่อพันิพานอยู่อีกเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะไปสู่พันิพานได้มันต้องทําจิตให้ว่างจากความรักความชังอันศินห้านั้นท่านไม่ห้ามเรื่องความรักแต่รักให้มันถูกต้องตามข้อสินเป็นข้อศินข้อที่สาม ท่านห้ามไม่ให้ไปรักเมียของคนอื่นผัวคนอื่นเขาอย่างงี้ท่านอนุญาตให้รักได้แต่บุคคลที่ไม่ใช่เมียเขาไม่ใช่ผัวเขาไปรักบุคคลเช่นนั้นไม่เป็นบาปนะเนี่ยในความรักเหล่านี้เมื่อมันฝังแน่นอยู่ในใจแล้วบุคคลจะไป ภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปปราศจากความยินดียินร้ายอย่างนี้มันก็ยากแสนยากเลยมันเป็นไปได้ยากผู้ยังห่วงอยู่ในความรักของใครนะ น, นั่นผู้เทนโทษแห่งความรักความชังแล้วนั่นแหล ะ, ะการภาวนามันก็จึงสงบลงไปได้จิตใจนี่นะ ดังนั้นการรักษาโวสถินเนะี่ยมันเป็นการเว้นจากความรักความชังความรักความใครเ่เหล่านี้อในเห็นข้ออภิมัจจริยานั่นนะแหละข้อที่สองเมื่อได้งดเว้นจากความรักความใคร่อนั้นช่วระยะวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้ มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อพนิพานไปเรื่อยๆถ้าผู้ใด ไ, ไม่คิดจะรักษาอุโบสถเช่นละไอย่างนี้ก็ยังไกลพนิพานอยู่เหมือนกันเนี่ยดังนั้นนะผู้เ็นทา ย, ยกทายยิกาผู้ครองเรือนทั้งหลายควรบำเพ็ญข้อปฏิบัติเหล่านี้ให้เป็นไปพร้อมกัน แต่อย่างเมื่อให้ทานมีแล้วอย่างเนี้ยมันก็สมควรจะมีศีลห้าเมื่อศีลห้า ม, มีแล้วก็สมควรมีศีลโอวสดคือศีลแปดนั่นเองเนี่ยเมื่อมีศีลโอวสดอย่างนั้นแล้วใจมันก็ค่อยห่างออกจากกรรมามคุณไปนี่เป็นอย่างนั้นอโดยเฉพาะนักบวชถ้าหาว่า ตั้งใจเจริญธรรมถ่ายพิัฒนาเข้าไปจริงๆมันก็ยิ่งห่างไกลจากกรารมคุณออกไปทำใจของต น, นให้เป็นพรหมไปก่อนเบื้องต้นเป็นพรหมก็หมายความว่ามีพรหมวิหารแระทำสี่ประการเป็นเครื่องอยู่มีเมตตาปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนใคร มีกรุณาความสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากแล้วก็คิดช่วยเหลือเกื้อกูลเท่าที่จะช่วยได้มีมุทิตาเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดไดมีความร่ำรวยด้วยเงินทองเข้าของก็ดีมีเกียรติยศชื่อเสียงได้รับยกย่องจากสังคม ว่าเป็นผู้ทำความดีเด่นให้ปรากฏในสังคมหรืว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นให้ปรากฏในสังคมฉะนั้นนะผู้นั้นนะ่ะเป็นผู้มีเกียรติยศมีคนนับหน้าถือตา ม, มากมายผู้มีมุติตาจิตก็แสดงความพอยินดีด้วยไม่ คิดอิจฉาลิสยาถ้าผู้ไม่มีมุทิตาจิตอยู่ภายในใจแล้วก็อย่างว่านั้นไไปเห็นคนเขาคนอื่นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้อิจฉาเบียดเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นคนที่ขาดมุทิตาทำทำให้สร้างบาปชนิดนี้ขึ้นมา ผู้เจริญอุเบกขาธทมก็จะเป็นเหตุให้มีจิตใจเป็นกลางวางใจลงเป็นหนึ่งไม่เสียใจในเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเห็นลูกเมียหัว พี่ชายที่สาวลุงป้านาอาอะไรพวกนี้แหละหรือว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับต้นมาถึงความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลมหายตายจากกด็ดีหรือว่าเขาถึงความวิบัติค้าขายขาดทุนหรือว่าถูกไปทำผิดกฎหมายแล้วถูกเจ้าหน้าที่จับ เอาไปฟองร้องติดคุกติดตารางอะไรหมด น, นี้ก็ไม่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจพรามานึกถึงกรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทํากรรมอะไรก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอั น, นั้นขึ้นเชื่อว่าผลแห่งกรรมมันให้ผลแล้วไม่มีใครจะไปลบล้างได้เลย ไม่มีใครจะไปต้านทานได้เมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทามานั้นเห็นแจ้งทั้งค้อมังเหตุทั้งผลดังกล่าวมานี่มันก็วางจิตเป็นกลางลงได้ขอทายจะไปมัวเมาเศร้าโศกเสียใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรผู้ตายก็ตายไปแล้วผูด วิบัติก็วิบัติไปแล้วเอาคืนมาก็ไม่ได้พิจารณาเห็นนี้แนละ้วก็วางเบกขาลงได้ไอ้พวกนี้นะคุณจะทคํำสอนของพระเจ้านะล้วนแต่เป็นเครื่องระงับกิเลสปาฏธรรมออกจากจิตใจนี้ทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ปฏิบัติตามนะผู้น้อมใจไปตามคำสอนของพระเจ้าอย่างว่ามานี่ สามารถดับกิเลสและกองทุกข์ให้น้อยเบาบางออกไปได้จนกว่ามันจะหมดสิน้นแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากันตื่นตัวมาศึกษาสนใจในคำสอนของพระเถเจ้าและลงมือประกอบปฏิบัติตามดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้แล้วก็จะ ได้ประสบความสุขความเจริญสมดังความปรารถนาแน่นอนทีเดียวดังแสดงมา